จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติมาบำเพ็ญมาศึกษาเพระทรรมคำสอนของพอระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสติด้วยสมาธิและด้วยปัญญาที่จะทำให้จิตใจของเรานั้น จะเลริญสูงขึ้นไปตามลำดับจิตใจของเราทุก่อนนี้มีความสูงต่ไม่เท่ากันเนื่องจากการบางแพ่นบุญกุศลมามีไม่เท่ากันนั่นเองถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เป็นเหมือนกับอยู่ต่างชั้นกันบางคนก็อยู่ชั้นประถมบางคนก็อยู่ชั้นมัธยม บางคนก็อยู่ชั้นอุดมศึกษาเพราะในอดีตชาติที่ผ่านมาได้บรรเพ็ น, นได้ปฏิบัติมาไม่เท่ากันบางคนก็พัฒนาตนเองให้สูงขึ้นบางคนก็ดึงตนเองให้ต่ำงลงด้วยการกระทาของตอนเองไปตามอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด วันไหนมีอารมณ์ดีก็จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมบางวันมีอารมณ์ไม่ดีก็ไปทำบาป ท, ทากรรม น, นึงตนเองให้ตกต่ำไปเกี่ยวข้องกับอบายลูกต่าง เช่นเล่นการประนันเสพสรารยาเมาคบคนชั่วเป็นวิตรมีความเกียรต้านนี่เป็นการฉุดลากตนเองให้ตกต่ำชีวิตของเราจึงเป็นเหมือนยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่คือไม่ขึ้นโดยถ่ายเดียวไม่ลงโดยถ่ายเดียวเพราะเราทำสิ่งต่างๆ ต, ตามอารมณ์ของเรา อารมณ์ของเราก็ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีนะการกระทำอย่างนี้ถ้าเราทำตามอารมณ์ไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะไปไม่ถึงไหนเหมือนเดินไปข้างหน้า3าก้าแล้วก็เดินถอยกลับมา49ก้าแล้วเดินไปข้างง่ายอีก49เก้าแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาอีก ทำไปอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยไปถึงไหนกันจะมิดขึ้นๆลงๆไปแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าได้เจริญขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุด เราก็จะมีความศรัทธาความเชื่อมัน่นในการที่เราจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราทำบุญละาบาปแล้วชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำอย่างทั้งสามอย่างนี้อย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ เราก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและจะสามารถพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดของจิตใจได้ในชาตินี้เลยในภพนี้เลยเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนอกจากการปฏิบัติของเราเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เป็นเหมือนมีอุปสรรค ที่จะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาใจของเราให้ขึ้นไปได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนสประการคือทาบุญละาบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะไปถึงจุดสูงสุดได้การพัฒนาการพัฒนาใจิตใจของเราจึงอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น อยู่ที่ใจของเราที่มีศรัทธาอย่างแน่วแน่แล้วก็มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงว่าจะต้องการพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเช่นที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พัฒนากันถ้าเรามีศรัทธามีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตามแล้ว ผลย่อมตามมาอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วจนได้กลายเป็นพระสังฆรัตนะเป็นสราระที่สามของของของโลกนะเพราะท่านเหล่านี้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่ออย่างไม่สันคลอนและความภาคเพียร เข้มแข็งอดทนพยายามปฏิบัติไปจนในที่สุดก็ได้พัฒนาจิตใจจนถึงขั้นสูงสุดคือได้บรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อแล้วก็อยู่ที่ความภาคเพียรที่จะปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอย ทำอย่างนี้แล้วก็จะได้ผลอย่างแน่นอนพวกเราทุกคนก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นได้เช่นเดียวกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเพราะพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระสงฆ์สาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราเพียงแต่ว่า ท่านมีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไม่หยุดอย่างไม่ถอยทำไปจนในที่สุดก็จะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับการเดินทางถ้าเราเดินทางโดยไม่หยุดไม่เปลี่ยนใจกลับรถถอยหลังกลับไปอีกทางหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างวันนี้ท่านเดินทางมาที่วัดถ้าท่านไม่เปลี่ยนใจไม่กลับรถขับรถมาเรื่อยๆก็จะมาถึงวัดอย่างที่ท่านได้มาถึงกันนี้เพราะท่านไม่ได้เปลี่ยนใจไม่หยุดรถไม่กลับรถขับรถนุ่งตรงมาที่วัดในที่สุดก็จะมาถึงที่วัดได้ นี่คือการกระทำที่พวกเราทั้งหลายจะต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารองทั้งหลายท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้ท่านไม่สามารถเสกเป่าให้เราได้ต่อให้เรากราบแล้วขออธิษฐานขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีการขอนน ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการนี้ต้องเกิดจากการกระทำของเราแต่บางท่านอาจจะคิดว่าเวลาอธิษฐานขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้ตามที่อธิษฐานไว้แต่นั่นก็อาจจะเป็นการบังเอิญเสียมากกว่าเพราะว่าถ้าถ้าการอธิษฐานของเรา ได้ผลอย่างที่เราคิดถ้าเราอธิษฐานทุกครั้งเราก็ต้องได้ผลอย่างที่เราอธิษฐานทุกครั้งไปแต่มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้จะเรียกว่าเป็นเหตุบังเอิญก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นผลของบุญเก่าที่เราได้เคยทำไว้ก็ได้พอดีเราอธิษฐาน ตรงกับผลบุญที่กําลังจะเกิดขึ้นพอดีเราก็เลยได้ตามที่เราอธิษฐานแต่นี่ไม่ได้เป็นเป็นผลที่เกิดจากการอธิษฐานถ้าเป็นผลพวกเราทุกคนก็จะต้องกลายเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้วหรือเป็นพระเป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดแล้วเพราะพวกเราทุกคนก็กราบขอสิขอขอสิ่งต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา แต่ทำไมเราไม่ได้ตามที่เราขอกันนั่นก็เพราะว่าการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุนั่นเองเหมือนถ้าเป็นนักศึกษาไม่ไปโรงเรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็กราบพระขอให้เรียนจบขอไปจนวันตายก็ไม่มีทางที่จะจบได้แต่ถ้าไปเรียนหนังสือทุกวันตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาถึงแม้จะไม่ได้ขอก็จะจบได้ เพราะการจะจบหรือไม่จบนี้ไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขอแต่อยู่ที่การไปโรงเรียนหรือไม่ไปโรงเรียนเ <c oughs> ช่นเดียวกับความสุขและความเจริญของชีวิตจิตใจของพวกเรา <c oughs> ก็เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขอแต่อยู่ที่การกระทำพระพุทธเจ้า ส, สอนเรื่องของการกระทำนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราต้องการกันดังนั้นขอให้เราดูที่การกระทำของเราเป็นหลักอย่าไปสนใจกับคำสอนของผู้อื่นที่สอนให้เราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคำสอนที่ตรงกับความจริง มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงสอนตามความจริงคือสอนให้เราทําดีละบาปและชละําระความโลภ ค, ความโกรธความหลงให้หมดออกไปจากจิตจากใจเพราะนี่เป็นเหตุที่จะทําให้เราได้เจริญรุ่งเรืองได้รับความสุขอย่างแท้จริงอยู่ตรงนี้ อย่าไปเชื่อเรื่องเครื่องรามของขลังอะไรต่างๆที่เขามีเอาออกมาแจกหรือเอาออกมาขายกันอย่าไปคิดว่าสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านี้จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆถ้าเป็นอย่างที่เขาโฆษณากัน ประเทศไทยเราก็คงจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนต้องประสบกับอุบัติเหตุเพราะทุกคนก็มีเครื่องรางของขั ง, งกันอยู่เต็มไปอยู่เต็มไปหมดอยู่ในร่างกายก็มีอยู่ในรถก็มีอยู่ในบ้านก็มีแต่เครื่องรางของขั ง, งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะปกป้องภัยอันตรายต่างๆสิ่งที่จะปกป้องภัยอันตรายต่างๆนี้ อยู่ที่การไม่กระทำบาปอยู่ที่การไม่ไปเสพอบายยานุกตต่างๆเช่นไม่เสพสุรายาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนชั่วไม่มีความเกลียดคร้านนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำหรือไปพบกับภัยต่างๆถ้าเราไปเกี่ยวข้องด้วย หรือถ้าเราไปทำบาปเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดะเวณีโกหกหลอกลวงเราก็จะมีภัยตามมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำมันก็ไม่มีภัยภัยที่จะเกิดขึ้นก็เป็นไปที่เรียกว่าภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากบาปกรรมที่เราได้เคยทำเอาไว้ในอดีต อย่างนี้เราเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในโลกที่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาภัยที่เกิดจากทางน้ำภัยที่เกิดจากทางลมภัยที่เกิดจากไฟภัยที่เกิดจากการถล่มของดินของพื้นแผ่นดินนี่เป็นเรื่องปกติ ของโลกที่เราอยู่อาศัยกันที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปวิตกกังวลเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญมรณานุสติอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วย่อมต้องแก่ย่อมต้องเจ็บใครได้ป่วยย่อมต้องตายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีภัยพิบัติอะไรหรือไม่ก็ตาม ความตายนี้ไม่มีใครหนีพ้นต่อให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยขนาดไหนก็ตามก็ยังจะต้องตายอยู่ดีดังนั้นเราอย่าไปตื่นตะนกกับการทำนายทายทักเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของโลกเราเช่นขณะนี้มีเรื่องของแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มก็เลยเกิดความตะนกตกตื่นกันบางคนถึงกับคิดโยกย้ายบ้าน หนีไผอันนี้ไม่จาเป็นจะต้องไปตื่นติอดขอให้เราพิจารณาความตายไว้อยู่เรื่อยๆแล้วยอมรับความจริงอันนี้ว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่เราไม่ต้องกลัวความตายเพราะว่าผู้ที่ตายนั้นไม่ใช่เราผู้ที่ตายนี้เป็นตุ ก, กตาของเรา คือร่างกายของเรานี้ไม่ได้เป็นตัวเรานี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นทรงแยกตัวเราออกจากร่างกายได้ทรงรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อจากแม่แล้วเราก็เอาตุ๊กตาตัวนี้มาทำสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำ แต่เราไม่ได้เป็นตุ๊กตาตัวนี้เราเป็นผู้ใช้ตุ๊กตาตัวนี้สั่งตุ๊กตาตัวนี้ให้ทำอะไรต่างๆให้กับเราแต่ตุ๊กตาตัวนี้เขาก็มีอายุไขเขามีเกิดแล้วเขาก็ต้องแก่และเขาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและเขาต้องตายไปถ้าเราไม่ไปหลงไปยึดติดไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่เดือดร้อน เหมือนกับเรารู้ว่ารถยนต์นี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราแต่เราก็อยู่กับรถยนต์เราไปไหนมาไหนเราก็นั่งขับรถยนต์ไปแต่เวลารถยนต์เป็นอะไรไปเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปขับรถยนต์รถเสียเราก็เอาไปซ่อมรถพังเราก็ทิ้งไปแล้วเราถ้ายังต้องการใช้รถใหม่เราก็ไปซื้อรถใหม่มาขับต่อนี่คือ ใจและกายของเราเป็นอย่างนี้เราอยู่ในใจแต่กายนี้เราไม่ได้อยู่ในกายนะกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นวัตถุเกิดจากอาหารที่เรารับประทานนะอาหารที่เรารับประทานก็มาจากดินน้ำลมไฟเช่นผักข้าวก็ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟถึงจ ะ, จะเจริญโตโ ต, ตให้เป็นผักเป็นข้าวได้ แล้วพอเรารับประทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปมันก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นอวัยวะต่างๆเปลี่ยนเป็นอาการสาสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกแล้วก็อยู่ไปได้ระยะหนึ่งพอถึงเวลามันก็จะหยุดทำงานดินน้ำลมไฟที่อยู่ใน อาการ32ก็จะแยกออกมาแล้วก็จะแยกกันไปคนละทางน้ำก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งไฟก็ไปทางหนึ่งไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนผู้ที่สั่งการนี้คือใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ใจนี้ถ้ายัางไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังจะไปเกิดต่อจะไปเกิดสูงเกิดต่ำเกิดดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมบุญบาปที่เราได้ทำเอาไว้ทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้พอถึงเวลาของบุญที่จะส่งผลเราก็ไปรับผลบุญ ถ้าถึงเวลาของบาปที่จะส่งผลเราก็จะไปรับผลของบาปเวลาเราตายไปนี่ก็เป็นเหมือนกับบุญและบาปกำลังยืนเข้าแถวอยู่ถ้าตัวไหนตัวใหญ่กว่าก็จะอยู่หัวแถวตัวไหนตัวเล็กกว่าก็จะอยู่ท้ายแถวถ้าเวลาตอนที่เราตายไปนั้นตัวที่อยู่หัวแถวเป็นบุญเราก็จะได้ไปรับผลบุญ ได้ไปเกิดในสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าแต่ถ้าถ้าบาปเป็นตัวใหญ่กว่ายืนอยู่หัวแถวเวลาเราตายไปเราก็ต้องไปใช้บาปก่อนไปตกนรกหรือไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานพอเราใช้ บ, บาปตัวนั้นหมดแล้วเราก็ ถ้ามีเป็นมีบุญเป็นตัวที่รอยอยู่เราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือเรื่องของบุญกรรมเป็นอย่างนี้อยู่ในใจของเราเกิดจากการกระทาของเราถ้าเราทาถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำเช่นทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ต่อไปบุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นไปตามลาดับส่วนบาป ท, ที่เราทำมันก็จะเป็นตัวเล็กลงไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเราตายไปเราก็จะมีแต่ตัวบุญยือนอยู่ที่หัวแถวพอเราตายไปปับ๊บเราก็จะได้ไปสุคติเลยหรือถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธ ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่เลยเราก็ไม่ต้องไปเกิดเลยนี่คือเรื่องของการกระทําของพวกเราที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันดังนั้นเราจึงควรมีสติคอยดูการกระทําของเราอยู่เสมอเช่นการที่จะมีสติได้นี้ก็ต้องรักษาศีลห้าคือข้อที่ห้าให้ได้ สิข้อที่5คืออะไรก็คือการไม่เสพสุรายาเมาเพราะว่าการเสพสุรายาเมานี้จะทำให้เราขาดสติคนที่ดื่มสวลาแล้วมักจะไม่สามารถควบคุมการกระทาการพูดของตนได้มักจะไปพูดไปกระทาในสิ่งที่เกิดความเสียหายกับผู้อื่นและกับตนเองเป็นบาปเป็นกรรม แต่ถ้าคนไม่ดื่มสุราอย่างพวกเราในขณะนี้ไม่ได้มีอาการมึนเมาเรามีสติสมบูรณ์เราสามารถควบคุมกายวาจาใจของเราให้อยู่ภายใต้คาสั่งของเราได้เช่นในขณะนี้เรากำลังฟังเทพฟังธรรมเรามีสติพอที่จะสั่งให้เรานั่งเฉยๆแล้วตั้งใจฟังธรรมะได้แต่ถ้าเรา ดื่มโรามาแล้วเกิดอาการมึนเมาเราจะไม่สามารถนั่งฟังได้หรือถ้านั่งฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าขาดสตินั่นเองดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรที่จะมีก็คือสติในการรักษาศีลนี้ข้อที่สำคัญข้อแรกก็คือสติก็คือการไม่ดื่มโายามามันเองเพื่อที่เราจะได้รักษาสติ มีสติไว้รักษาการกระทาของเราคือทางกายทางวาจาและทางใจได้พอเรามีสติแล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลข้ออื่นได้เราจะรักษาศีลข้อที่หนึ่งคือกการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไม่ลักทรัพย์ได้ไม่ประพฤติผิดประเวณีได้ไม่พูดปดได้เพราะเรามีสติพอเรารู้แล้วว่า การกระทำบาปนี้จะส่งผลที่ไม่ดีให้กับเรานั่นเองเมื่อก่อนนี้ถ้าเรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าการกระทำบาปของเรานี้มีผลที่เสียหายเกิดขึ้นกับเราต่อไปแต่ตอนนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วแล้วถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะมีความระมัดระวัง ถ้าเรามีสติทุกครั้งที่เราจะทำอะไรนี่เราจะรู้ทันทีถ้าเราจะทําบาปเราก็จะรู้ทันทีแล้วเราก็จะหยุดได้ทันทีเพราะเราไม่อยากที่จะต้องไปรับผลของบาปที่เราทำนั่นเองสู้ยอมเจ็บตอนนี้ดีกว่าที่จะไปเจ็บตอนหลังเจ็บตอนนี้เจ็บเดียวยวแต่เจ็บตอนหลังนี่เจ็บนานกว่า เราต้องไปตกนรกนี่จะต้องตกนานเป็นเป็นหลายหลายปีด้วยกันแต่ถ้าเรายอมเจ็บตรงนี้ก็เจ็บเดียวเดียวเช่นถ้าเราอดยาขาดแคลนไม่มีอาหารเราก็ยอมอดมือ้อกินมื้อดีกว่าที่เราจะต้องไปยิงนกตกปลาแล้วมาทำเป็นอาหารยอมอดมือ้อกินมือ้อหรือยอมกินผักกินอะไรที่ไม่ต้อง ที่เราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์จะดีกว่าเพราะว่าตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปใช้กรรมใช้บาปนั่นเองตายไปเราก็จะได้ไปรับผลบุญนี่คือเรื่องของการกระทาของเราที่พวกเราทำกันอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี้เรามีการกระทาอยู่สามลักษณะด้วยกันคือการทำบุญ 2. การทำบาปและาการไม่ทำบุญและไม่ทำบาปคือการกระทำที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่ใช่เป็นบาป ก, การกระทำบุญนี่คืออะไรคือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยนมนำข้าวของต่างๆมาถวายาพระภิกษุสมัมมเนงอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับ อย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญส่วนการทําบาปก็คือการกระทําที่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงอย่างนี้เป็นการกระทําที่ทำให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเราอย่าไปทําส่วนการกระทําที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาศ ก็คือการกระทาที่ไม่ได้เกิดคุณหรือเกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นการดำเนินชีวิตของเราเราไปทำงานทำการทำมาหากินไปออกกำลังกายไปทำอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่ใช่เป็นบาปก็จะไม่มีผลบุญผลบาปเกิดตามมา นี่คือการกระทำที่เราจะต้องคอยสังเกตดูอยู่ทุกเวลาถ้าเราทาถ้าเรากำลังทำบุญหรือกำลังคิดจะทำบุญก็ขอให้ทำเลยถ้าเรากำลังคิดจะทำบาป ก, ก็ขอให้เราหยุดคิด ท, ทันทีหรือถ้าเรากำลังทำอยู่แล้วเราได้สติเราก็อยากเราก็ต้องรีบหยุด ท, ทันที ถ้าเรามีสติควบคุมดูแลการกระทาของเราแล้วต่อไปเราก็จะสามารถกระทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คือเราจะทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงพอเราทำได้แล้วจิตใจของเราก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆจะมีภัยอันตรายที่เกิดจากการกระทำบาปของเรานี้น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยลายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเป็นเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอัลลานตสาวก ท่านก็ปฏิบัติเหมือนที่ท่านสอนนี่แหละท่านทําบุญละบาปและชําระใจของท่านจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับบุญกับกับกรรมต่างๆที่เราที่เคยทำเอาไว้ปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะไม่ได้กลับมาเกิดนั่นเอง จึงมีสุภาษิต ท, ที่ทรงตัดไว้ว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการนี้คือทําบุญละบาปและชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดกลับมาทุกข์อีกเราจะมีแต่ความสุขไปตลอดอนันตการนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษาพราะธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำกันเป็นประจำขอให้ทำไปตลอด ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่แล้วการเจริญรุ่งเรืองของชีวิตจิตใจของเราก็จะเป็นไปตามลำดับและไปถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญและความ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญขุสมที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอตเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ